37. อหิวาตากโรควัตถุว่าด้วยอหิวาตากโรคกำหนดอายุผู้บรรพชาเป็นสัมมนเนนข้อ100สมัยนั้นครอบครัวหนึ่งได้ถึงแก่กรรมด้วยอหิวาตากโรคเหลือเพียงบิดากับบุตรคนทั้งสองได้บรรพชาในหมู่ภิกษุแล้วเที่ยวบินทบาทด้วยกันครั้งนั้นเมื่อเขาถวายภิกษาแก่ภิกษุผู้บิดา สัมเนธน้อยก็วิ่งไปหาแล้วได้กล่าวกับภิกษุผู้เป็นบิดานั้นว่าพ่อจ๋าให้หนูบ้างพ่อจ๋าให้หนูบ้างมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพลธนาว่าพระสัมณ์เชื้อสายพระศักยบุตรเหล่านี้ม่ใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์สัมเณธน้อยแม้รูปนี้คงจะเกิดจากภิกษุณีภิกษุทั้งหลายได้ยินมนุษย์เหล่านั้นตำหนิประนามโพลธนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูล พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าพิกษุทั้งหลายเด็กชายมีอายุย่อนกว่า15ปีไม่พึงให้บรรพชารูปใดให้บรรพชาต้องอาบัตทุกกฏ